ความไม่เที่ยงแท้เป็นความแท้จริงของชีวิตจริงหรือเปล่ามันจริงตรงไหนอะไรบ้างที่ไม่เที่ยงแท้ฮะอะไรบ้างที่ไม่เที่ยงแท้ทุกสิ่งเลยเหรอที่ไม่เที่ยงแท้นิพพานเที่ยงแท้ได้แล้วเหรอเรารู้ได้ไงว่านิพพานมันเที่ยงแท้เพราะท่านสอนหม เล่นยายากลางบ้านจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแทนะนะไม่ว่าจะอะไรบ้างอะรูปรดกินเสียงสัมผสัสอ่าอันนี้เป็นอะไรรามกุลห้าอ่าแล้วถ้ายัางอื่นอีกอะอะไรอีกที่ไม่เที่ยงแทะอ่านึกสูดให้ออกเร็ว ลกกระทัมแปดอาวลกกระทั่มแปดก็ไม่เทียงแท้อา้อาวอ่าทั้งหมดในโลกนี้ใช่ไหมมันไม่เที่ยงแท้ทั้งนั้นแหละนะส่วนที่เราบอกว่ า, านิพพานเนี่ยเทียงแท้เพราะอะไรนะไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเที่ยงหรือไม่เทียเท่ยงทั้งหมดทุกอย่างนี้ไม่เทียงใช่ม้อย่างนี้ อ้าวในเมื่อห้าอย่างนี้ไม่เที่ยงแล้วเราตะกี้เราบอกว่านิพพานเนี่ยเป็นของเที่ยงแล้วมันหมายความว่ายังไงอานิพพานนี้ไม่จะอยู่ในวิญญาณเหรอนะอ้าวนิพพานเนี่ยคําว่านิพพานแปลว่ายังไงนนก็อะไรศูนย์น่ะนนกิเลศูนย์ อ่าถ้าถ้ากิเลสศูนย์แสดงว่าอย่างอื่นก็ยังมีอยู่สิมีอะไรอยู่อ่ะถ้ากิเลสศูนย์ฮะไม่อย่ามั่วมันโอมั่วมันใหญ่แล้วแล้วพยายามสิ ว่ามันมันอ้าวแลก็เราบอกว่าว่านิพานมันเที่ยงอ่ะแล้วเราก็รู้ว่าแปลว่ามันกิเลสมันสิ้นเกลี้ยงใช่ไหมมันไม่มีกิเลสอีกเพราะนั้นโดยการเป็นจริงแล้วไอ้ที่เราบอกว่าอะไรอะไรในโลกนี้ที่มันไม่เที่ยงเนี่ยนะมันไม่ได้หมายความว่าว่าอะไรอ่ะแม้แต่นิพานเพราะว่าเราบอกว่านิพานมันเที่ยงเมื่อนิพานมันเที่ยงเนี่ยแล้วเราก็บอกว่า นิพพานนี่แปลว่าไม่มีกิเลสถูกไหมอ่าเพราะไอ้คำว่าเที่ยงในที่นี้เนี่ยเราจะต้องแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆนะหรือว่าคําว่าไม่เที่ยงในที่เนี้ยเราจะต้องแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องยอมรับว่าร่างกายเหล่านี้ไม่เที่ยงแน่นอนใช่ไหมหรือว่าวัตถุเข้าของอะไรต่างหรือแม้แต่จิตใจคนนี้จิตใจที่มันเป็นกิเลสเนี่ย นะมันก็ไม่เที่ยงเลยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยนะแล้วถามหน่อยว่าแม้แต่ความดีเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงความดีก็ยังไม่เที่ยงใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเที่ยงเนี่ยมันไม่ใช่หมายถึงว่าความดีหรือว่าไม่ใช่หมายความว่าความเลวแต่มันหมายถึงความศูนย์ใช่ไหมมันหมายถึงความศูนย์ว่าศูนย์อะไร ศูนย์จากศูนย์จากความดีก็ตามศูนย์จากความชั่วก็ตามเอาใช่ปะเอาตกี่บอกว่าความดีก็ไม่เที่ยงความชั่วก็ไม่เที่ยงเอาใช่ปะเอาถูก็ปะโงงก็ว่าเนี่ยอนตมาย้อนถามไปย้อนถามมางงแล้วปะอ้าวก็บอกอนตมาเองอะว่าความดีก็ไม่เที่ยงใช่ไหมความชั่วก็ไม่เที่ยงอนตมาก็เลยถามไปว่า อ้าในเมื่อบอกว่าเที่ยงนี่ก็คือศูนยใช่มศูนย์ใช่ไหมไห ม, มันถึงจะเที่ยงใช่ไหมล่ะอ้าวศูนย์ใช่ไหมมันถึงจะเที่ยงอ้าเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าเที่ยงตัวนี้มันหมายถึงว่ามันไม่มีทั้งดีมันไม่มีทั้งเลวอยู่ในนั้นถูกไหมเปล่าอ้ามันถึงจะเที่ยงอ้าใช่ไหมมันไม่มีทั้งดีแล้วมันก็ไม่มีทั้งเลวอยู่ในนั้นแล้วมันมีตายไหมมันมีเกิดอีกไหมอ่าเพราะเที่ยงที่สุด ในโลกเนี่ยถ้าถ้าถ้า ถ, ถ, ถ, ถ, ถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยคือมันไม่มีการตายมันไม่มีการเกิดอีกเพราะเที่ยงอย่างนี้ก็คือว่าอย่างเช่นมันร่างกายเราก็ไม่กลับมาเกิดนะความดีความชั่วเราก็มไม่กลับมาเกิดอีก <c oughs> งงละงงละเอะอนั่นแหละมันต่างกัน <c oughs> ป ร, รีนิพพานเนี่ยแหละคือศูนย์สนิทเลยแหละแต่ถ้านิพพานเฉยๆนะถ้านิพพานเฉยๆเนี่ยกิเลสเนี่ยศูนย์หมดฟังดูให้ดีกิเลสที่ศูนย์หมดแต่กลับมีโอ้โ ห, โหความดีเนี่ยที่เต็มเปี่ยมเลยถ้านิพพานธรรมดาเนี่ยเข้าใจไหมนิพพานธรรมดาเนี่ยนะความดีที่เต็มเปี่ยมเหมือนจนล้นเลยล่ะ ยิ่งถ้าชาตินั้นนะที่บอกว่าใครเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมคือได้นิพพานแล้วเนี่ยเพราะว่าทํากิเลสได้สิ้นเกี้ยงเพราะไอ้ที่สิ้นเกี้ยงนี่มันสิ้นเกี้ยงแต่กิเลสใช่ไหมเพราะสิ้นเกลี้ยงแต่อกุศลของเราทั้งนั้นเลยส่วนกุศลเรานี่โอ้โหมันยิ่งล้นเลยนะมันยิ่งเยอะเลยนะมันยิ่งเต็มเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าใครได้นิพพานอย่างนี้แล้วเราบอกว่านิพพานเที่ยงถูกไหม ถ้าใครได้นิพพานอย่างนี้แล้วแล้วจะเที่ยงเนี่ยหมายถึงว่าตอนที่เราได้นิพพานนี่นะไอ้ไอกิเลสเนี่ยศูนย์หมดเลยไม่เหลือเลยแต่ความดีเรานี่เต็มเปี่ยมเลยนะนนเยอะเลยนะเรียกว่าในในใจเราเนี่ยในวิญญาณเราเนี่ยมีแต่ความดีเท่านั้นไม่มีความเลวเลยมีแต่ความดีเท่านั้นเสร็จแล้วคราวนี้นิพพานบอกแล้วว่ากิเลสสิ้นเกียง ฟังให้ดีนะเพราะฉะนั้นตอนแรกเนี่ยถ้าเราใช้คำว่านิพพานเนี่ยกิเลสสิ้นเกี่ยงนี่ก็หมายความว่ามันเที่ยงตัวนี้นะที่เราบอกว่านิพพานเที่ยงเที่ยงเพราะกิเลสสิ้นเกี่ยงแต่เที่ยงอย่างนี้เนี่ยยังยังเที่ยงโดยที่ว่าอะไรอะ่ะส่วนส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งตรงที่เรียกว่ากิเลสไม่กลับมาเกิดอีก เข้าใจไหมจะไม่มีกิเลสขึ้นมาอีกศูนย์จากกิเลสแต่ความดีนี่ยังเต็มเปี่ยมเลยนะเพราะเที่ยงนี่ถ้าได้นิพพานนี่คือคือเที่ยงโดยที่ว่ากิเลสนี่ศูนย์สนิทแต่อุลน่โอโ้ยยังมีล้นหัวใจเลยแหละจนกระทั่งถ้าผู้นี้เนี่ยแม้ได้เป็นพระอรหันต์แล้วใช่ไหมเสร็จแล้วจะเอาศูนย์สนิทละคราวนี้เมื่อจะเอาศูนย์สนิทคราวนี้ ไอ้กิเลสที่ไม่มีอีกแล้วอ่ะถูกไหมมันศูนย์ไปตั้งแต่ตอนได้นิพพานแล้วเพราะะฉคราวนี้ผู้นี้จะให้ศูนย์สนิทให้เที่ยงแท้จริงๆคราวนี้แม้แต่กุศลที่มีอยู่เต็มเปลี่ยนในหัวใจนี่ก็ไม่ให้เหลือเลยเอาออกหมดเลยเข้าใจไหมคราวนี้แหละถึงจะได้ปรินีผ่านถึงเป็นผ้าละหัน์ก็ได้เป็นผ้าละหันก็ได้เข้าใจไหม คือคือตอนเป็นพระอาหารหันเนี่ยถ้าท่านได้นิพพานปั๊บเนี่ยกิเลสสิ้นเกลี้ยงท่านเที่ยงและเที่ยงเที่ยงต่อความดีงามเข้าใจไหมเที่ยงต่อการที่กิเลสศูนย์อันเนี่ยเที่ยงเพราะอย่างนี้เสร็จแ ล, แล้วอันี้ถ้าสมมุติว่าท่านเองเนี่ยจบละชาตินี้ท่านไม่คิดว่าจะต้องไปเป็นพระเจ้าเมื่อไม่คิดว่าจะต้องสูงกว่านี้อีกท่านก็ปรินิพพาน พอตอนที่จะดับขันอะไรนี้ไปท่านก็ปริธานไปเลยพอปริธานปับ๊บท่านก็ไม่มาเกิดอีกนะโดยที่ความดีที่ท่านมีมีอยู่เต็มเนี่ยท่านก็พูดง่ายว่าให้ศูนย์ไปด้วยนะแต่คราวนี้ถ้าสมมติอรหันรูปนี้เมื่อทํานิพพานได้นะเที่ยงต่อการที่กบจัดกิเลสไปได้หมดสิน้น กิเลสเก่าก็ไม่เหลือกิเลสใหม่ก็ไม่เกิดนั่นเนี่ยที่บอกว่าเที่ยงเนี่ยคือกิเลสเก่าก็ไม่เหลือเลยกิเลสใหม่ไม่มีเกิดขึ้นมาอีกวันพอเที่ยงอย่างนี้เสร็จปั๊บนะความดีท่านมีเยอะแยะแล้วแต่ท่านยังรู้สึกว่าความดีที่ท่านมียังไม่มากพอความดีที่มีนี่ยังไม่มากพอวันท่านก็เลยปรารถนาที่จะเพิ่มความดีของท่านเนี่ยให้ยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่า ท่านตั้งใจว่าจะไปเป็นพู้เจ้าเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้ปับ๊บความอยากที่จะต้องไปเป็นพู้เจ้าความอยากที่จะดีให้มันมากกว่านี้อีกมันก็เลยกลายเป็นกิเลส ข, ขึ้นมาใหม่แต่มันเป็นกิเลส ข, ของความดีเป็นกิเลส ข, ของความอยากดีเป็นบิภะวะตัญหานะเป็นกิเลส ข, ขึ้นมาใหม่เมื่อเป็นกิเลส ข, ขึ้นมาอย่างนี้เสร็จปับ๊บใช่ไหม พระอาหารรูปนี้พอตายปั๊บเอากิเลมันมีอยู่มันก็ไม่ศูญสิเพราะมีพี่ๆพ่อป้ า, าตันหาตัวนี้อยู่มันท่านก็ต้องมาเกิดอีกแต่เกิดแบบพีที่เรียกว่าความดีนี่เต็มเลยจะมามาม า, มาเพิ่มความดีอีกรฮะไม่รู้ละจะเรียกว่ายัางไงก็แล้วแต่ถ้าฟังที่อาจจะมาอธิบายแบบ น, นี้ถ้าพอเข้าใจได้ก็เราก็จะรู้ว่าอ๋อมันหมายถึงอย่างนี้แล้วมันเป็นอย่างนี้ นะซึ่งเราเองเราก็ฟังพ่อท่านอธิบายมาเยอะแล้วแหละเพียงแต่ว่าวันนี้อาตมาอาจจะพูดแง่มุมที่มันแปลกแตกต่างออกไปบ้างซึ่งถ้าใครฟังก็คงจะคิดว่าพอจะเข้าใจได้นะหรือว่าใครไม่เข้าใจเนี่ยพอจะเข้าใจไหมเนี่ยเอาใครไม่เข้าใจบ้างเนี่ยนะเพราจริงๆก็คือที่พ่อท่านอธิบายวันนั่นเองนะเพียงแต่ว่าพยาพยามอธิบายเป็นอะไรอ่ะเป็นตัวอย่างหรือเป็นสมมุติที่มันง่ายขึ้นนั้นเอง ตังจิตมาสร้างบารมีต่อแต่ลนะเป็นกิเลสแต่เป็นกิเลสที่เราเรียกว่าวิภาวะตัณหาเมื่อพอ ม, มีกิเลสเกิดขึ้นปั๊บอา้ามันก็ไม่ศูญสิใช่ไหมพอมันไม่ศูญปั๊บไอ้กิเลสตัวนี้ก็ต้องพามาเกิดแต่มันเป็นกิเลสที่อยากดีกิเลสที่อยากไปบูชาเจ้ามันก็พามันเกิดใหม่เลือกเกิดยังไงอะ อ๋อไม่รู้สิเพราะยังไม่เคยเป็นแต่ถ้าให้อตมาเดาตามภูบาตมานะเออคือท่านมีสิทธิ์เลือกด้วยแต่ในขณะที่ท่านมีสิทธิ์เลือกเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามวิบากรรานะา ก, บากรรมของท่านด้วยนะท่านก็มีวิบากกรรมของท่านด้วยนะคือมันเกิดเมื่ อ, อไหร่ยวิบากกรรมก็มีด้วยแต่ในขณะที่วิบากกรรมมีเนี่ยท่านสามารถที่จะควบคุมจิตปัญ ญ, ญาท่านได้แล้วอะ ถูกม่เพราะฉะนั้นท่านก็สามารถที่จะเลือกแต่ว่ามันก็คงเลือกในขอบเขตที่ท่านจะเลือกได้เข้าใจแม่มันจะเป็นไปตามนั้นซึ่งอันนี้ยังไม่รู้หรอกเพราะเรายังไม่ได้เป็นถึงขั้นนั้นแต่ว่าอันนี้อาตมาตามที่อาตมาเข้าใจนะไม่ต้องเอาไม่ต้องพูดถึงตอนตายเอาตอนเราเป็นๆ น, น, นี่แหละถ้าคุณมีฤทธิ์คุณมีกําลังตอนเป็นๆนี่นะถือว่าคุณมีกําลังทรัพย์คุณมีกําลังเงินของคุณเนี่ยในขอบเขตเงินที่คุณมีเนี่ย กูจะเลือกซื้ออะไรก็ได้ใช่ไหมตามกําลังเงินที่คุณมีแต่คุณซื้อได้ตามกําลังเงินที่คุณมีนะฮัลพ์พระาอารหันต์เนี่ยที่ท่านจะเลือกได้ท่านต้องเลือกได้เท่าที่กําลังท่านจะมีเหมืนกันท่านจะเลือกเกินกําลังนั้นได้ยังไงใช่ไหมอ่เสร็จแล้วกว็นี้มันไม่ใช่แค่ว่าเรามีเงินแล้วเราก็จะซื้อสินค้าไรก็ได้มันยังอยู่ที่เขาจะขายหรือเปล่าหรือว่ า, ห ร, วาหรือว่าสินค้า มันมีให้เราซื้อหรือเปล่าแรงต่างซึ่งอันนี้แหละมันจะขึ้นอยู่กับวิบากกรรมแหละเข้าใจไหมวิบากกรรมของแต่ละบุคคลเองแหละที่ว่าจะเป็นไปอย่างนั้นได้ด้วยไมย่เพราะว่ามันจะต้องลงลงร่องล ง, ลงช่องกันไม่อย่างนั้นโอ้โหพ้าอาหารเลือกอะไรก็ได้ทุกอย่างเลยอ่ะเลือกอะไรได้ทุกอย่างก็เลือกปุ๊บปุ๊ บ, บ, บให้เป็นพระพุทธเจ้าเลยก็จบแต่มันไม่อย่างนั้นมันต้องเป็นไปตามกรรมที่ ท่านสั่งสมมาด้วยหรือว่าเป็นไปตามบารมีที่ท่านสั่งสมมาด้วยนะตราบใดที่เรายังไม่ยอมรับความไม่เที่ยงแท้ว่าเป็นความแท้จริงของชีวิตว่าชีวิตคือความปรวนแปร ى, เปลี่ยนแปลงประเดี๋ยวขึ้นประเดียวลงหัวเราะแล้วก็ร้องไห้สิ่งใดเมื่อถึงคราวเหตุปัจจัยลงตัวจะต้องเกิดมันก็เกิดจะถึงคราวดับมันก็ดับ ความกลัวก็ย่อมเกาะเกี่ยวอยู่เป็นธรรมดาความกลัวจึงคือจิตของผู้ที่ต้านทานกระแสของกฎไตรักนั่นเองฟังอยู่นะความกลัวจึงคือจิตของผู้ที่ต้านทานกระแสของกฎไตรักนั่นเองหมายความว่ายังไงหมายความว่าคนเราเนี่ยที่กลัวกันอยู่คนธรรมดาเนี่ยนะที่กลัวกันอยู่ทุกวันนี้กลัวเพราะว่ายอมรับ ยอมรับกฎของตายรักไม่ได้ไม่กล้ายอมรับกฎตายรักมีอะไรบ้างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรเกิดนะอะไรเกิดนะก็ทุกอย่างอะ <c oughs> นะแล้วแต่ว่าอะไรมันจะเกิดก็แล้วแต่นะนะเออมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไป <c oughs> ก็เพราะว่าเมกี้เราพูดกันแล้วไงาามันไม่มีอะไรเที่ยงไง ใช่ั้ยเล่าเนไะม่อะไรก็ได้จะเป็นข้าวของข้างนอกเป็นตัวตนบุคคลหรือจะเป็นแม้แต่จิตใจเรามันยังเกิดขึ้นได้ตั้งอยู่ได้ดับไปได้เยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคนที่กลัวนั่นกลัวนี่กลัวโนนอ่ะแสดงว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมรับความเป็นจริงในสิ่งที่ว่ามันจะต้องมีการเกิดขึ้นนะแล้วก็มีการตั้งอยู่แล้วก็มีการดับไป พันเพียงแค่กดใจรักเนี่ยถ้าใครพยายามไปหมันนม่นพิจารณาหมั่นพิจารณานพะิจารณาตั้งแต่ตัวเราเลยนะตัวเราเองเลยเอาเริ่มตั้งแต่อะไรเริ่มตั้งแต่เนื้อสัตว์นะแต่ก่อนเรากินอร่อยนะเดี๋ยวก็อยากกินไนนอ้นอ่นข้าวหมูแดงข้าวขาวหมูอะไรหมูอีกอะทอดทอดมันหมูเหรอไอที่ท ที่ที่งานพุท ธ, ธาอะไรนะทอดมันหมูใช่ไหมทอดมันเนื้อหมูอะใช่ไหมเอ อ, เ อ, อนั่นแหละเออว่าไอ้ต่างๆเหล่านี้แหละถ้าเราเนี่ยรู้เราก็จับได้แล้วเรายอมรับว่าเออนะมันเกิดขึ้นแต่ก่อนมันทําหลอกเราให้เราสุขใช่ไหมอ่าได้กินตั้งอยู่คือได้กิน ดับไปก็คือพออิ่มแล้วก็เดี๋ยวก็เอา้าไม่อยากกินนะเดี๋ยวก็พอหิวหรือว่าอยากขึ้นมาก็เอาอีกอย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเงี้ยวนเวียนอยู่เป็นวัฏสงสารนะและในขณะเดียวกันจนกระทั่งทุกวันนี้โอ้โ oh หเราไม่ต้องกินละเนื้อสัตว์เราบางกินบางสวิลัตใช่มแ้ว เ, เราก็รู้เลยว่าเออเนื้อสัตว์เนี่ยมันไม่เที่ยงมันแปลเปลี่ยนได้เราก็เปลี่ยนจากเนื้อสัตว มันกินในสิ่งที่มันดีกว่าเป็นมังสวิรัติขึ้นมาอย่างเงี้ยและในขณะที่เรารู้ตายรักเราก็รู้ด้วยว่ามันเป็นใจรักแบบวงจรไหนนะเป็นวงจรที่เป็นกิเลสเป็นอกุศลนะกินเนื้อสัตว์เอาเป็นกิเลสเป็นอกุศลไม่จําเป็นต้องใ บ, บเบียดเบียนอย่างนี้เขาก็ได้ใช่ไหมเราก็ย้ายวงจรมาเรามาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรามากินเป็นมังสวิรัติขึ้นมา อ่าคราวนี้เป็นวงจรที่เราเห็นว่าเป็นอาหารพรมเป็นอาหารบุญเป็นกุศลเห็นไหมเพราะเราก็ต้องรู้ว่าอ้อไตลักษ์นี่มันก็ยังมีทั้งในทางที่ดีก็มีในทางที่เลวก็มีแล้วก็ในทางที่ไม่ดีไม่เลวก็มีอ่ามีปะไตลักษณ์ที่แบบไม่ดีไม่เลวมีปะฮะ น่าจะไม่มีกลางๆไงเอาเๆ อ, อ, อ, อ, อ, นะ อ, อย่างนี้กดีครึ่งไม่ดีครึ่งมีั้ยล่ะนะไออย่างงี้ก็มีแต่ถ้ามันสุดแล้วเนี่ยถ้าแบบอย่างที่ตะกี้บอกว่าไม่มีดีแล้วก็ไม่มีเลวไม่มีครึ่งดีครึ่งเลวจบแล้วมันต้องจบใตรักแล้วนะก็หมายถึงนิพพาน หมายถึงอุเบกขาหมายถึงอะไรเพ่อ น, น, นช่วงแห่งการรอคอยจึงต้องตกมาที่ความกระสับกระส่ายหรือกวนกระวายเป็นจิตนรกที่เริ่มเกิดขึ้นมายิ่งกลัวมากก็ยิ่งทุรนทุรายมากนั่งนอนที่ไหนก็ไม่เป็นสุขไฟนรกมันคอยแลบเรียไล่ที่อยู่เรื่อยนี่แหละที่เขาว่าหนึ่งวันนรกเท่ากับหนึ่งปีมนุษย์ เอ๊เคยได้ยินเหรอฮะเหรอ อ, อันมาเคยได้ยินแต่หนึ่งหนึ่งวันสวรรค์หนึ่งวันสวรรค์เท <c oughs> ่ากับร้อยปีในมนุษย์ออันนี้เขาหนึ่งวันนรก <c oughs> เท่ากับหนึ่งปีมนุษย์มันไม่น่าจะเท่ากันนะ ออหนึ่งวันนรกเท่ากับหนึ่งปีมนุษย์อืใช่ไหมสวรรค์นี่ร้อยปีเลยใช่ไหมอืมอันนี้ก็พูดถึงเนี่ยถ้าเรากลัวนั่นกลัวนี่แล้วนะเสร็จแล้วไอ้ความกลัวเนี่ยมันก็ทำให้จิตเราเนี่ยเกิดอาการขึ้นมาแล้วกระสับกระส่ายวนกระวายต่างๆเมื่ออยากมากเท่าไหร่ก็กระวนกระวายมากเท่านั้น ปฏิบัติธรรมไปก็อยากบรรลุเร็วๆก็กลายเป็นยิ่งช้าโบราณเขาว่านายขมังธนูพอคิดถึงโล่ทองเหลืองย่อมประมาเสียแต่แรกแล้วยิ่งคิดถึงรางวัลเหรียญทองก็เลยยิ่งเห็นเป้าซ้อนกันใหญ่แต่สำหรับผู้ไม่คิดอะไรเลยเขาจะน้าธนูโดยเห็นเพียงเป้าเดียวอันนี้หมายความว่าไงถืว่านักแม่งธนูเนี่ยจะยิงให้เข้าเป้าเนี่ย พอคิดถึงเหรียญจะได้เหรียญไหมเหรียญบอลเหรียญเงินหรือว่าเหรียญทองแดงเหรียญทองคําอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> ถ้าใครคิดอย่างนี้เนี่ยจะรู้สึกยังไง อ, อจิตมันไ ม, ม, นไม่มันไม่นิ่งและจิตมไม่สงบมันไม่มีสมาธิไม่มีความแน่วแน่ใช่ไหมแต่ใครที่ไม่คิดอะไรเลยอาจจะยิงไม่ถูกเลยก็ได้นะไม่คิดอะไรเลย <c oughs> เพราะอะไรเพราะไม่หวังอะไรเลยหรือเปล่ามึงก็เลยอู้ไม่หวังอะไรเลยมันจะยิงเข้าเป้าไงมันจะยิงขึ้นฟ้าก็ได้ฮะเออมันก็ต้องมีจิตตั้งเอาไว้ใช่ไหมว่าเออจะยิงให้เข้าเป้าใช่ไหมจิตสมาธิจิตเป็นหนึ่งเนี่ยไม่ได้หมายถึงจิตไม่มีอะไรเลยนะสมาธิไม่ได้หมายความว่าไม่มีอะไรเลยนะคําว่าเอกกะคาตาจิตเนี่ยหมายถึงจิตเป็นหนึ่งเข้าใจไหมหมายถึงจิตเป็นหนึ่งแสดงว่าจิตคิดเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่คิด แต่ว่าถงพูดว่าตั้งใจว่าจะยิงให้เข้าเป้าโดยที่ไม่ต้องคิดถึงเรื่องลาบเรื่องยศเรื่องสรรเสริญใช่ไหมเรื่องอะไรทั้งสิน้นคิดแต่ว่าเออยิงให้เข้าเป้ายิงให้เข้าเป้าวันอย่างเงี้ยเออจิตมันก็นิ่งจิตก็เป็นสมาธิโอกาสที่คนนี้จะไม่ประมามีมากการตัดกิเลสริงไม่ใช่เหมือนควักกะปี่ เอมันเกี่ยวยังไงวะนะเดี๋ยวลองลองฟังดูสิการตัดกิเลสจึงไม่ใช่เหมือนควักกะปิจะได้หลุดเป็นก้อนๆ อ, อ๋อตัดกิเลสหยาบๆออกไปแล้วมันก็ยังดิ้นโครมครามในหัวใจยังเป็นยางไม้อยู่ก็กลับทุกข์เหลือเกินเที่ยวถามแต่ของตัวว่าทำไมทำไมกิเลสของฉันมันไม่หมดสักทีทั้งทั้งที่ถ้าตัดกิเลสออกมาได้ มันก็เหลือตันหาหมดตันหาหยาบหยาบกลางๆก็ไล่เข้ามาที่อุปทานขั้นตอนเรียงตามลำดับจากน้อยไปหามากมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละบางคนขนาดเหลือตัวละเอียดแล้วยังไม่พอใจหน้าตาก็มุ่ยทั้งวันสติปัญญาพานหนีหมดนี่แหละอภิชปาจึงนับเป็นทางอันเนิ่นช้าทางหนึ่ง อภิจปาคืออะไรตัณหาล้ำหน้านะเข้าใจคาว่าตัณหาล้ำหน้าไหมหมายความว่าเออมีความอยากเกินอะไระไไไเกินปัจจุบันของคนนั้นนะในสิ่งที่ตัวนั้นมีหรือว่าในสิ่งที่ตัวนั้นคนนั้นเป็นนี่เขาเรียกว่าความอยากที่มัน เกินเกินความเป็นจริงในปัจจุบันของคนนั้นนะเขาเรียกว่าตันหามันล้ําหน้าและมันออบไซน์ไปก่อนในอย่างนี้กรรมการเขาก็เป๋าปี๊ดนะก็ต้อง <c oughs> ต้องผิดไปอประโยคนี้อะที่บอกว่านะไอเหมือนกับควกักกระปีนี่นะคือควกักกระปี่ก็บอกว่ามันก็หลุดไปเป็นก้อนๆใช่ไหมหลุดไปแล้วก็ เอาเหมือนกับจบไปเลยแต่ไม่คนเราลดละ ก, กิเลสมันไม่ได้ควักว ก, กะปิออกมาจากไหายแล้วเสร็จแล้วมันก็ออกไปเลยมันไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ยไม่สามารถขุดรากถอนโคนกิเลสได้จนถึงที่สุดมันมันย้อนกลับได้คือไอ้กะปิที่ควักไปแล้วมันลอยกลับไหายได้อีก <c oughs> นะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนมันไม่เหมือน กับควักกับปีไอ้ที่มันไม่มีชีวิตไม่มีจิตปัญญาแต่อันนี้มันเป็นจิตใจคนเราเมื่อจิตใจของเราเราว่าเราลดกิเลสไป ส, ส, ส, สมมุติบางคนอย่างเงี้ยเลิกเนื้อสัตว์แล้วแต่ถ้ายังไม่เด็ดขาดใช่ไหมยังมีอุปทานยังมีจิตที่ยังโอโ้โหบางทีนี่เพล่เพลก็ยังคิดถึงนะไก่ย่างอะไรเอาอย่างอื่นบ้างสิฮะ ก่ย่างหอยหอยแข็งทอดเอาเนื้อสัตว์เอาประเภทเนื้อสัตว์อะหอยจ้อเอเอเป็ดย่างเออปลาหมึกแหมต้องปลาหมึกกินมันแรงดิปลาหมึกก่อนสมัมาก็ชอบกินนะปลาหมึกโอ้โหสวยก่อนเวลาตอนคืนเนี่ยเขาเข็นมาเงี้ยโอ้โหเอาแล้วต้องซื้อเพราะกินมันแรงนะ มันเล่นมาหน้าบ้านจอดเสร็จแล้วมันก็ปิงมันปิ่งเสร็จมันก็พาดเข้าบ้านแล้ว <c oughs> แหมแต่ก่อนนี้ฉลาดนะไอ้พวกว่าการเมกาแล้วบัมบึกนี่กินมันแรงมากเลย <c oughs> โอ้โหยิ่งถ้ามีไอ้ที่บทนะสมัยก่อนเขาหมุหมุนหุนมุนบทโอ้โหบทจนเรียกว่ามันกำลังเปื่อยเอ่อยาวยุยเสร็จแล้วก็ผสมไอ้น้ำจิ้มโอ้โหแต่ก่อนนี้เรากินแล้วก็ตดเลยนะ ตอนนี้แม้ใครเลิกมาแล้วใช่ไหมแต่ยังมีอุปทานอย่างเงี้ยฝังอยู่แล้วบางทีนะวันไหนเคริมคร้มๆก็แหมเอามาบรรจงค่อยๆพิจรารณาแทนที่จะพิจรารณาลดละนะพิจารณาดื่มดมใหเลยไอ้ถ้าอย่างนี้แหละมันยังมีอุปทานอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันเบียนกลับมันย้อนกลับไปได้มันก็เกิดความอยากเกิดความต้องการจะกินขึ้นมาอีกก็ได้ <S <S